และเทวปุตตมาเนี่ยนะเป็นอันเดียวเป็นมารอันเดียวที่เหมือนจะมีคนอื่นสร้างให้ดัมีคนอื่นมาแกล้งมีเพื่อนมาแกล้งมีคนนู้นคนนี้มาแกล้งหรือแม้แต่เป็นเพื่อนต่างพบเพื่อนต่างพบมาแกล้งและที่น่ากลัวก็คือบางทีเราเองก็แปลงเป็นมารเองเราเคยแกล้งคนอื่นไหมนิสัยของมารตัวหนึ่ง ที่พัฒนาจากคนธรรมดาให้กลายเป็นมารได้คืออยากใหญ่เราอยากใหญ่หั้ยอยากมีเกียรติอยากให้คนสรรเสริญอยากมีพวกมากเวลามารไปไหนเนี่ยจะไปเป็นแก๊งไปเป็นแก๊งอยากมีพวกมากอยากใหญ่อยากเด่นนะอีกตัวหนึ่งคือขี้อิจฉาพออยากใหญ่แล้ว มีคนอื่นใหญ่เท่าเทียมก็อิจฉามีคนอื่นใหญ่ไล่มาก็อิจฉามีคนอื่นใหญ่เกินหน้าไม่ได้เลยต้องรีบเตะตัดขานี่คือมารมารก็พัฒนามาจากคนปกตินี่แหละแล้วไม่ทันระวังกิเลสสองตัวใหญ่ๆนี้ความอยากใหญ่กับตัวอิจฉาแล้วส่วนใหญ่มารมักจะเคยเป็นคนดีมาก่อน มักจะเคยเป็นคนดีมาก่อนและสร้างบุญด้วยพญามารไปเป็นพญามารได้เนี่ยนะเขาต้องสร้างบุญบา ร, รมีเยอะนะเขต้องทําฌานได้ด้วยนะแต่ตอนตายนะีไม่ได้ไม่ได้ตายตอนเข้าฌานก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นสูงสูงสูงสุดเลยหเหาะเหินเนอากาศได้แสดงมีบุญเยอะแล้วตอนสุดท้ายยังคิดที่จะกลับใจและกลายเป็นพระโพธิสัตว์แล้วจะเป็นได้ด้วยจะเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งได้ด้วยแสดงเขามีบุญเยอะแต่ช่วงหนึ่ง ช่วงหนึ่งของพญามารเนี่ยคิดผิดหลงกิเลสตัวหนึ่งคืออยากใหญ่หลงกิเลสอีกตัวหนึ่งคืออิจฉาเห็นพระโพธิสัตว์กําลังจะได้ตัสรู้ไม่ได้อิจฉาแล้วก็จะใหญ่กว่าตัวเองไม่ได้ต้องขัดขวางเห็นพวกเราภาวนาหยดหยดแย่อๆอ๋อช่างปล่อยไม่เป็นไรสบายใจ มานไม่ห่วงเพราะว่าดูแล้วไม่ไม่อยู่ในสายตาแต่เริ่มภาวนาดีนะเริ่มเริ่มอยู่ในสายตาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเขาจะขึ้นหน้าเราแล้เรายังวนอยู่ในโลกนี่เลยเขาจะหลุดโลกไปแล้ว mm. หลุดโลกนี่ก็ <c oughs> คำภาษาชาบ้านเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ในแง่ที่ว่าจะพ้นโลกไปมานจะทนไม่ได้ตอนนี้พยามานเนี่ยท่านกลับใจแล้วก็เหลือแต่มารระดับ ล่างๆ ล, ลงมามาล่างๆ ล, ลงมาก็ยังมีอยู่